ยังไงบ้างเมื่อวานมุ่งสอนเรื่องจิตศึกษาครับหลวงพ่อครับก็จำนวนมากน่าจะเข้าใจมากขึ้นครับเรื่องจิตศึกษาสำคัญมากตอนที่หลวงพ่อภาวนาเรียนจากหลวงปู่ ด, ดุล พอเข้าใจการปฏิบัติลนะหลวงพ่อะออกไปดูสำนักต่างๆสำนักที่มีชื่อเสียงต่างๆเนี่ยไปมาเกือบหมดนะพบปัญหาของผู้ปฏิบัติก็คือขาดความรู้เรื่องของจิตสิกขาบางที่นะไม่เอาสมาธิเลย มีความเชื่อว่าถ้าจเจริญสติแล้วก็เดี๋ยวสมาธิก็มีเพราะสมาธิเป็นองค์ธรรมที่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงกระทั่งจิตอกุศลก็มีสมาธิได้มเกิดกับจิตทุกชนิดสมาธิเลยดูถูกสมาธิเพราะว่าไม่เข้าใจว่าสมาธิมีหลายแบบมีฌาสมาธิก็มีสัมมาสมาธิก็มีดูถูกสมาธิ บางพวกก็เรียนหนังสือเยอะนะดูถูกสมาธิสำนักปฏิบัติบางแห่งไม่ทำสมาธิใช้การคิดพิจรารณาร่างกายไปเลยใช้คิดคิดคิดเอาแจมัฟุงแจมจะฟุงทำอะไรทำไม่ได้จริง อีกพวกหนึ่งก็พวกชอบทำสมาธิไปนั่งสมาธิให้ซึมๆหรือนั่งเราเห็นโน่นเห็น น, น, น, นี่ออกนอกไปเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์ไม่เห็นแต่กิเลสตัวเองก็ไม่มีประโยชน์อะไรเป็นสมาธิที่พุ่งออกไปข้างนอก งันมีหลายแบบเลยนะพวกที่คลาดเคลื่อนจากเรื่องของสมาธินะพวกหนึ่งไม่ทำสมาธิเลยเพราะเรียนมามากตําลาบอกว่าสมาธิเกิดกับจิตทุกดวงลืมไปว่าสมาธิที่เป็นมิจฉาก็มีแยกไม่ออกพวกหนึ่งไม่ออกสมาธิเลยชิดพิจารณาอย่างเดียวก็ฟุ้งสาน หลวงปู่มั่นเคยสอนนะบอกทำสมาธิมากก็เนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านมีหลายแบบนะที่ออกตะเบนไปดูบางที่ก็ทำจังหวะขยับไม้ขยับมือแต่จิตเนมันไม่ได้ฝึกสมาธิอยู่ๆไปเจริญปัญญาเลยมันทำไม่ได้จริง พันคนหมื่นคนอะงี้หลุดออกมาได้สักคนสองคนเพราะว่าบารมีเยอะคนทั่วๆไปคลัดเคลื่อนไปบางทีไปทำสมาธินะเราก็คิดว่าเป็นวิปัสสนาอย่างดูท้องพองดูท้องยุบนึกว่าเป็นวิปัสสนาดูท้อง มันเป็นการดูรูปไม่ว่าดูรูปหรือดูนามไม่ใช่วิปั ส, สนาทั้งคู่ต้องดูไตรลักษณ์ที่เป็นวิปั ส, สนานี่ก่อนที่จะถึงขั้นเจริญปัญญาเนี่ยถ้าเราอยากไปได้อย่างสบายปลอดภัยไม่พลาดเราเดินตามเส้นทางที่พระพุทธเจ้าสอนเรามีศีลสิกนคะ์าเรียน เรื่องการรักษาศีลการรักษาศีลเมื่อวานพูดนิดหนึ่งแล้วว่าดีที่สุดก็คือให้มีสติรักษาจิตไว้กิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตให้มีสติรู้ทันไปกิเลสมันจะดับพอจิตไม่มีกิเลนะสศีลอัตโนมัติมันเกิดขึ้นเป็นอินทรีย์สังวรศีลนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ กิเลสอะไรเกิดขึ้นกับจิตมีสติรู้ทันกิเลสมนจะครอบงำไม่ได้มันจะมีศีลอัตโนมัติเป็นอินทรียสังวรศีลสำคัญนะนักปฏิบัติสำคัญกว่าศีลห้าศีลแปดศีลสิบศีล227อยี่บเจ็ดนี่เป็นศีลหนึ่งเท่านั้นมีสติรักษาจิตไหมไม่ยาก ถือศีลเป็น ข, ข้อข้อถือยากนะเดี๋ยวข้อน้อนแว่งข้อนี้แห่งรักษาจิตไว้ดวงเดียวเถะนะศีลมาหมดบทเรียนที่สองชื่อจิตสติกขาเรียนเรื่องจิตเราต้องแยกให้ออกว่าจิตชนิดไหนเป็นกุศลเลือกกุศลจิตอกุศลเนี่ยเป็นจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทือประกอบด้วยโลภะโทสะโมหะ ย่งแค่เราอยากภาวนาเนี่ยจิตก็มีโลภะแล้วภาวนาแล้วจิตไม่สงบสัทีเครียดนี่นก็เป็นโทสะละภาวนาจิตหลงไปคลาดเคลื่อนไปจากอารมณ์กรรมฐานหลงไปคิดหลงไปนึกอะไรเงี้ยก็มีโมหะฟุ้งซ่านจิตที่เป็นกุศลนะมีความเบาถ้าเราภาวนาแล้วจิตหนักๆเ น, นี่ยไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลมีความนุ่มนวล เรียกว่ามุทุตานุ่มนวลเป็นจิตแข็งกระด้างไม่ใช่มีความคล่องแคล่วว่องไวถ้าภาวนาแล้วจิตซึมซื่อบื้อไม่ใช่มีกรมยตาจิตควรแก่การงานไม่ขี้เกียจขี้กลานไม่ใช่จะเอาแต่ความสุขสงบอยู่เฉยๆเป็นจิตที่แอคทีฟ มีปากคุณตาคล่องแคล่วว่องไวไม่เฉื่อยๆื่อยอืดอืดซื่อบือ้อมีวชุกตาซื่อตรงในการรู้อารมณ์รูป้เป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงั้นนามเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังงั้นไม่เข้าไปแทรกแซงการแทรกแซงเวลาจิตไปรู้อารมณ์แล้วเข้าไปแทรกแซงเนี้ยบาทีก็แทรกแซงด้วยโลภะอย่างดี อยากสูขอยากสงบบางทีก็แทรกแสงด้วยโทสะอยากให้มันไม่ฟุ้งซ่านอยากให้มันดีไม่ไม่ชั่วอะไรเงี้ยปฏิเสธความโลภความโกรธความหลงปฏิเสธความทุกข์ใจก็มีโทสะบางทีก็แทรกแสงเพราะโมหะคิดเอาเองว่าการปฏิบัติที่ดีต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้คิดเอาเองโมเมอเอง ไปด้วยอำนาจของโมหะความไม่รู้นี่จิตที่ดีนะจะซื่อตรงในการรูอารมณ์ไม่ถูกราคาโทสามโมหะครอบเนี่ยอเราแยกชนิดของจิตได้แล้วเราก็มาดูสมาธิสมาธิอย่างไหนจิตหนักแน่นแข็งซึมทื่อมีโลภะโทสามโมหะไม่ใช่สัมมาสมาธิ สมาธิชนิดไหนจิตเบาอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่มีราคาโทสะโมหะสมาธิอย่างนั้นดีเป็นสัมมาสมาธินี่พอเราเรียนได้แนละ้วแยกชนิดของจิตได้นะมันอยู่ในบทเรียนเรื่องจิตสิกขาท่านั่นเองเรียนรู้จิตไปจิตอย่างนี้เป็นอกุศลจิตองนี้เป็นกุศล แล้วถัดจากนั้นก็มาดูต่อจิตที่เป็นกุศลเนี่ยนะมันมีสมาธิได้สองแบบแบบหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลไม่ไม่ยั่วกิเลสอย่างเราอยู่กับพุทธโธพุทธโธแล้วคิดถึงพระพุทธเจ้าได้ๆจิตสงบอยู่กับพุทธโธอยู่กับพระพุทธเจ้า อยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่เราลงใจก็ต้องระวังนะเรื่องคิดถึงครูบาอาจารย์ต้องระวังนิดหนึ่งครูบาอาจารย์ที่เพี้ยนเพียนเยอะนะพวกที่พอนาไม่เป็นจริงเยอะงั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรที่ตําหนิได้เลยให้เรา คิดถึงพระพุทธเจ้าวิธีคิดถึงพระพุทธเจ้าคือคิดถึงคุณของท่านไม่ใช่ไปท่องชื่อของท่านอย่างถ้าเป็นอย่างฮินดูหนึง่งเขาจะท่องชื่อของพระเจ้าพระเจ้าของเขาเทพพระเจ้าแต่ละองค์มีชื่อหลายสิบชื่อหรือเป็นร้อยชื่อพยายามสวดท่องชื่อไปเรื่อยๆมันก็ดีเหมือนกันได้สมาธิได้สมาธิเป็นสมาธิไปข้างนอก ใจไปจเจานอการคิดถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปนั่งท่องชื่อพระพุทธเจ้านะมนีท่องชื่อวิปัสสีสิขีเวสภูกกรสันโธโกนาคมโนกัสะโปโคตโมนะอังคีรสหนึ่งเนี่ยตั้งชื่อไอ้นั่นไม่ใช่วิธี เราลึกถึงพระพุทธเจ้าการเราลึกถึงพระพุทธเจ้าคือคิดถึงคุณงามความดีของท่านพระพุทธเจ้ามีปัญญาที่คุณท่านตรัสรู้ได้ด้วยตัวเองท่านมีบริสุทธิ์ที่คุณท่านเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นท่านมีกรุณาที่คุณอุตสาหเอาธรรมะซึ่งประณีตลึกซึง้งมาสอนพวกเราสอนยากเหมือนสอนให้ควายขึ้นต้นไม้อะ ไม่ใช่ง่ายๆนะกว่าแต่ละคนจะพ้นทุกไปมันจะหัดต้อนกวายขึ้นต้นไม้ไม่ใช่เรื่องง่ายยากไลยคิดถึงคุณงามความดีของท่านไปหรือคิดถึงเทวดาคิดถึงเทวดาไม่ใช่คิดให้เทวดามันช่วยเราคิดถึงเทวดาเนี่ยเราคิดถึงธรรมะที่ทำให้เขาเป็นเทวดาหรือคิดถึงความดีของเทวดา เทวดามีสินท้าเทวดามีฮิริโอตตัปะฮิริคือความละอายใจโอตตัปะคือการเกรงกลัวผลของความชั่วหิริเนี่ยละอายใจที่จะทำชั่วโอตตปะเกรงกลัวผลของการทำชั่วนี่เทวดามีฮิริโอตตะปะงั้นเทวดาที่ามาสาบแช่งคนนู้นคนนี้ผีไม่ใช่เทวดา เทวดาไม่แช่งใครเทวดามีฮิริโอต ป, ปะนี่เราคิดถึงความดีหรือบางทีเราคิดถึงคนดีๆอย่างในหลวงที่ท่านสิ้นไปนั้นรัชการที่9ก้าท่านเป็นเทวดาในโลกมนุษย์เขาเรียกว่าเป็นสมมุติเทพที่สมบูรณ์แบบนี้น ท่านมีทศพิธราชธรรมเราลองไปดูสิท่านมีทานไหมทานของท่านไม่ใช่เอาเงินไปแจกเอาเงินไปแจกมันเป็นเรื่องของนักการเมืองซื้อเสียงนะทานของท่านก็คือทํำยังไงจะให้คนเลี้ยงตัวเองได้ท่านช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้นั้นสําคัญกว่าเยอะเลยให้ความรู้ให้เลยคนทําอะไรผิดพลาดใส่ท่านท่านก็ไม่โกรธท่านให้อภัยนะ อย่างคราวนึงเสด็จที่ไหนจาไม่ได้แล้วคนเปิดประตูรถให้ท่านมันนั่งคุกเข่าอยู่ท่านออกจากรถมาเขานึกว่าท่านพนรถไปแล้วก็ปิดประตูกระแทกท่านเพราะท่านไปสิรีราชไปเยี่ยมพระพี่นางท่านก็อยุเยอะแล้วนะไปผักรถประตูใส่ท่านท่านก็ไม่โกรธท่านให้อภัยมีทานท่านมีศีล เราเคยได้ยินไหมว่าท่านทำผิดศีล ไ, ไม่เคยได้ยินทานาังศีลังปริจากขางอาชวังมัทธวังอ่อนโยนอาชวังซื่อตรงเป็นคนซื่อตรงซื่อตรงอะไรไมซื่อตรงกับเวลาพวกเราต้องซื่อตรงตับปังแพศภากิเลสนะท่านภาวนา โกทางไม่โกรธอิหิงสัญจะไม่เบียดเบียนใครวิโลตันังนี่คุณธรรมของท่านครบบุญบา ร, รมีท่านสูงเนี่ยเราคิดถึงในหลวงราชการที่เก้านะเวลาเรานึกถึงท่านเรามีความสุขรู้สึกไหมเวลาเรานึกถึงถ้าเราไปนึกถึงใครอ่ะโหดๆหน่อย จินซีห้องเต้นึกถึงจินซีนโหยโหดชะมัดเลยนึกถึงแล้วใจไม่สงบหรอกจินซีห้องเต้นะกินปลากัางปลาติดคอเนี่โกรธเอาพ่อครัวไปประหารเลยแค่กัางปลาติดคอพ่อครัวที่เหลือนั้นมันก็แค้นมากนะแค้นจินซีอีกวันนึงมันทําแล่เนื้อปลาเสร็จแล้วมันก็เอาปังต่อสัพ์ นึกความแข็งนึกว่าเนี่ยคือจินซีปุ้งปุปุงปปุ้ ง, ง, ง, ง, งลืมตัวนะสับเสลซ์เลยสับปลาสเสลซ์เลยรับรองไม่ไม่มีกระดูกเลยจะไปติดคอได้นะเพราะมันเลซไปงั้นทำไงตายแล้วทาของเสียเอาไปต้มนะเลยเกิดเป็นลูกชิ้นปลาขึ้นมา <laughs> นี่คือตำนานลูกชิ้นปลา <laughs> นึกถึงกระสัดโหดๆนะโอ้ค่าคนเยอะแยะหรือบางคนนะจกนักรพรรดิเนโรของโรมันอยากจะแต่งเพลงสักเพลงให้สุนทรีนะเผากรุงโรมเลยแล้วนั่งดีดผินแต่งเพลงไหวไหมนึกถึงแล้วไม่ไมีความสุขเลยไม่ไหวอะ่ะนรืค่าฟันผู้คนเยอะแยะอนะไรเงี้ยไม่ไหว เรานั้นเราก็เลือกเวลาเราจะนึกถึงคนดีๆซึ่งเป็นเทวดาในหมู่มนุษย์เนยเรานึกถึงคนที่เรานึกถึงแล้วจิตใจเราสูงขึ้นอย่างพระเจ้าอยู่หัวจิตใจเราสูงขึ้นเรานึกถึงแล้วมีความสุขอย่างนี้เราได้สมาธินะมีสมาธิที่จิตไปอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขอย่างคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุข คิดถึงพระธรรมคิดถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขคิดถึงคนดีๆคิดถึงเทวดานะที่เราชอบอย่างบางคนคิดถึงเจ้าแม่กวนอิมแล้วมีความสุขคิดไปเจ้าแม่กวนอิมไม่ได้ชั่วร้ายอะไรนะไม่ได้ดูดเลือดกินเลือดต้องเอาคนมาเชือดคอสังเวยอะไรเงี้ยไม่ใช่เต็มไปด้วยความเมตตาอะไรเงี้ยเรานึกถึงเราใจเราก็มีความสุข เจ้าแม่กวนอิมมีจริงไหมมีัห ม, มรู้ได้ไง <c oughs> มีมีมีมีด้วยความเชื่อเจ้าแม่กวนอิมก็คือความเมตตากรุณาเองมีอยู่ในตัวเราทุกคนอยู่ละมีอยู่แล้วก็สร้างธรรมะขึ้นมาเป็นบุคคลเรียกบุคคลาทิสถานมีไหมมี มีด้วยกันที่ใจเราผูกพัน์ก็สร้างขึ้นมาได้ของมหายานจะเปลี่ยนตัวสภาวะธรรมให้มาเป็นตัวบุคคลเพื่อถ่ายทอดให้คนเข้าใจง่ายๆเฮ้งเจียนี่เป็นแทนตัวแทนของปัญญาตื่อป่ ย, ยกายเป็นตัวแทนของศีลสวดเจงเป็นสมาธิ เป็นตัวแทนของสมาธิพระถัาางสัมจังเป็นตัวแทนของจิตที่แสบหาความพ้นทุกข์นี่มันมีพวกปีศาจทั้งหลายคือกิเลสนานาชนิดเป็นตัวแทนสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อสอนธรรมะให้เข้าใจง่ายใช่าแม่กวนอิมก็มีเมื่อไรที่เรามีความเมตตากรุณาเกิดขึ้นในใจ เจ้าแม่ควรอิ่มอยู่กับเราแล้วรู้จักฉลาดหน่อยนะไปจิตว่าเจ้าแม่จะมาช่วยเราห่อามาช่วยปราบปีศาจอะไรง้นั่นตื้นไปเอาไว้หลอกคนซึ่งไม่ได้เรียนธรรมะนี่เวลาเราคิดถึงคนดีคิดถึงอารมณ์ที่ดีจิตเราสงบ เราได้สมาธิชนิดสงบสุขมันมีสมาธิอีกชนิดหนึ่งสมาธิสงบสุขนี้เอาไว้พักผ่อนทำให้ใจมีกำลังมีเรี่ยวแรงสมาธิที่ดีที่สุดเลยเป็นสมาธิที่เอาไว้ทำวิปัสสนาให้จิตเนี่ยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิชนิดนี้ทำให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูสมาธิชนิดสงบนะี่ยทำให้จิต ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วสงบสบายอยู่ในอารมณ์อันเดียวมีสองอันนะสมาธิที่ถูกเนะี่ยมีสองอัน น, นหนึ่งจิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นนะเห็นอารมณ์ทั้งหลายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปจิตเป็นคุณดูตัวที่เห็นอารมณ์รูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตัวนี้เป็นวิปัสสนาแต่ถ้าเห็นอารมณ์บัญญัตินะเห็นความคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ผ่านไป ไม่เป็นไม่ศา ส, สนานะความความคิดไม่มีต้นไม่มีปลายไปคิดได้ทั้งวันทั้งคืนไม่มีวิจบท่ไม่มีใจรักเรื่องราวที่คิดไม่มีใจรักเอาไปทำวิปัสสนาไม่ได้รูปธปรรมนามธรรมานี้มีใจรักแต่ถ้าเราไปดูรูปเรามีสมาธินะแล้วเราจดจ่ออยู่กับรูปเช่นเราเห็นท้องพองเห็นท้องยุบจิตสงบอยู่ที่ท้อง จิตไหลไปรวมอยู่ที่ท้องอันนี้เป็นสมถะเป็นสมาธิที่ดีแบบสมถะแต่ถ้าจิตไปอยู่ที่ท้องแล้วใจหนีไปที่อื่นจิตอยู่ที่ท้องสักพักหนึ่งแล้วจิตก็หนีไปที่อื่นอย่างนี้ใช้ไม่ได้ฟุ้งซ่านหรืออยู่ที่ท้องไปเรื่อยๆแล้วเคลิ้มขาดสติเป็นมิจฉาสมาธิมุหาเข้าแล้วใช้ไม่ได้ขยับมืออย่าใส่ลงพระเทียนขยับมือ มีสติเห็นรูปเคลื่อนไหวอันนี้ใจก็ใจสงบอยู่กับรูปที่เคลื่อนไหวก็ได้สมาธิได้สมถะถ้าเห็นว่ารูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราก็ขึ้นวิปัสสนาได้ดูท้องพองท้องยุบนะถ้าเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเป็นสมถะถ้าเห็นว่าร่างกายที่พองร่างกายที่ยุบไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นวัตถุาธาตุมีาธาตุที่ไหลเข้าไหลออกนี่อีนนี้เป็นวิปัสสนา ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนานี่สมาธิที่จะเห็นไตรลักษณ์ได้นะจิตต้องเป็นคนดูปกติ จ, จิตของเราจะเป็นผู้แสดงจิตของเรากโกรธจริตของเราโอบจิตของเราหลงจิตของเราดีจิตของเราสุขจิตของเราทุกข์จิตเป็นผู้แสดงรู้สึกัหยวันนี้หงุดหงิดเราหงุดหงิดนี่มันจะรู้สึกว่าเราหงุดหงิด แต่ถ้าเราฝึกให้ดีนะฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นไดนะ้จะเห็นว่าจิตเป็นคนรู้ความหงุดหงิดเป็นของถูกรู้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมาแล้วก็หายไปนะทั้งความหงุดหงิดทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วความรู้สึกทุกชนิดนะ่ะเกิดแล้วดับทั้งสิน้นอย่างนี้เราเดินปัญญาได้จิตมันถอนตัวออกมาเป็นคนดูถ้าจิตเป็นผู้แสดงหรือจิตเข้าไปคลุกบงในนะ ทามิปัสนาไม่ได้งั้นก่อนจ ะ, จะเจริญปัญญาได้เนี่ยมันมีปัญญาตัวหนึ่งก่อนที่จะถือมิปัสนามีปัญญาตัวหนึ่งเรียกว่านามรูปปริเฉทยานอันนี้เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยนามรูปปริเฉทยานคือการแยกรูปกับ น, นามออกจากกันมันไม่ได้แยกยากนะบางคนนึกว่าแยกรูปนามต้องถอดจิตออกจากร่างอย่างนั้นใช้ไม่ได้หลวงพ่าถอดมันเด็กนะ mm hmm. เพราะว่าไม่มีประโยชน์อะไร พวกเราขณะนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครเห็นร่างกายนั่งใครรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่แค่รู้สึกนะไม่ต้องตั้งท่านั่งยังผุดนั่งอยู่แล้วนี่ามานั่งหรื อ, อยังตอนนี้นั่งอยู่มเมื่อเกี้ยร่างกายหัวเราะรู้สึกไหมร่างกายยิ้มร่างกายพยักหน้ารู้สึกได้ง่ายอย่างนี้ไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยเรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นของถูกรู้อยู่ ใจเราเป็นคนรู้ไม่ต้องหานะว่าใจอยู่ตรงไหนอย่าไปเที่ยวหาหลวงปู่ดูลเคยสอนว่าใช้จิตสแสวงหาจิตอีกกลับหนึ่งก็ไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาว่าใจอยู่ที่ไหนแค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นพอแล้วรู้สึกไหมเอาลองยิ้มหวานหวานอาลองยิ้มข้าวยิ้มหวานหวานเห็นร่างกายยิ้มไหมรู้สึกไหมว่าร่างกายยิ้มนี่มันรู้สึกแค่เองความรู้สึกง่ายๆอย่างนี้ย สังเกตไหมร่างกายที่ยิบเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนะก็แสดงว่าตัวรู้นั้นแยกออกมาแล้วมันจะเห็นว่าร่างกายถูกรู้ถูกดูความรู้สึกสุขทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูถ้าเมื่อไหร่มันมีสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูนะตัวผู้รู้ผู้ดูคือตัวจิตมันก็จะแยกออกมาเองนึกเราง่ายๆเลย นั่งกับพิบตาพิิเห็นร่างกายมันกระพิบตานะเห็นร่างกายมันขยับเห็นร่างกายมันหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจจะเป็นคนดูไปเดยเนี่ย ใ, ใจมันจะแยกออกมาเป็นคนดูนะล้วจะได้ตัวดูแต่ถ้าวิธีนี้แยกไม่ออกนะก็ทำใหม่ก็ได้ฝึกอีกแบบหนึ่งนะทำกรรมาฐานสัยอย่างหนึ่งนะเช่นพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วค่อยรู้ทันเวลาใจมันหนีไป ใจมันหนีไปรู้ทันเราพุโทโธพุโทโธอยู่ดีๆ ด, ด, ดันไปคิดถึงได้ยินไก่ร้องได้ยินไก่ขันคิดถึงแกงไก่ให้มาฉพรันเงี้ยนะหิวแล้วตอนนี้ใจมันหนีไปรากรู้ทันว่าใจมันหนีไปการที่เราทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หลงไปที่อื่นหรือใจถลําลงไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานอย่างเราดูท้องพองยุบอยู่ใจเราถลําลงไปอยู่ในท้องเนี่ย ให้เรารู้ทันถ้าเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปทางโน้นเคลื่อนไปทางนี้นะจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยจะเกิดขึ้นเองจิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อนจะเกิดขึ้นเองไม่ยากอะไรนี่พอจิตตั้งมั่นไม่เคลื่อนแล้วนะเห็นร่างกายนั่งร่างกายจะไม่ใช่เราเห็นร่างกายยืนเดินนอนอะไรเงี้ยร่างกายก็จะไม่เป็นเราเห็นร่างกายพยักหน้าจะรู้สึกเลย พอใจเป็นคนดูปุ๊บเราพยักหน้าเนี่ยมันจะรู้สึกเลยตัวที่พยักหน้าเนี่ยไม่ใช่เราปัญญามันจะเกิดเลยเพระฉะ้นเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้นะฝึกทุกวันทุกวันทํากรรมาฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้รู้เคลื่อนแล้รู้ไปพอเรามีตัวรู้แล้วเราแยกขันไป น, นี่บางคนทํากรรมาฐานนะแล้วก็เห็นจิตเคลื่อนดูไม่ออกสัทีนั้งหงุดหงิดเต็มทีนะ ไม่รู้จะทํำยัำยงไงแล้วนะดูรูปธรรมนามมาทำไปแล้วค่อยๆสังเกตไปมันเป็นของถูกรู้อย่างร่างกายนี้มันของถูกรู้แยกอย่างนี้ก็ได้นะผู้รู้ก็จะหลุดออกมาแต่ไม่ต้องไปหามันแต่มันจะสู้การทํากรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วเห็นจิตเคลื่อนไม่ได้ตัวผู้รู้เนี่ยจะมีแรงมีกําลังเด่นชัดขึ้นมาแล้วค่อยไปแยกขันถ้าอยู่ๆไปแยกขันเลยนะ ผู้รู้นี่ไม่มีกําลังงอนแงนคลอนแคลงเลยหลวงพ่อจะสอนพวกเราให้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้จิตที่เคลื่อนไปก่อนจนกทั่งเรารู้ทันจิตของเราได้แล้วเรียกว่าเราเรียนบทเรียนเรื่องจิตสําเร็จแล้วะจิตตสิกานี่สําเร็จแล้วแล้วก็ต่อเข้าปัญญาศิกขาแล้วใช้จิตซึ่งตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามกาใช้การเรียนรู้ ความจริงของรูปนามกาใจก็เริ่มตั้งแต่การแยกรูปแยกนามออกมานะเห็นร่างกายนั่งใจเป็นคนดูมัานะมีใจที่เป็นคนดนะูถ้าทำอย่างนี้ได้ดีที่สุดนะเพรามันไปตามมาตรฐานลยมีศีลศิษยาจิตศิกขาได้จิตมาแะแล้วไปเจริญตัญญานี่บางคนมันไม่เอาไหนจริงๆนะบุญบรารมีมันน้อยก็ค่อยๆไปใส่เกียรติเอาร่างกายนี้มันถูกหล้มันขยับซิ ขยับแล้ร่างกายนี้ถูกรู้เนี่ยแต่ใจมันจะเริ่มพลาดเงี้ยมันถูกรู้นะ <c oughs> มันมักจะไปรอยนี้นะมันจะไม่เหมือนวิธีที่หลวงพ่อบอกนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปคิดถึงไก่แนละ้ชวชักหิวอะ่นะะเนี่ยเราก็จะรู้จิตนี้ไปจากพุโทโธแล้ว สมาธิไม่จะกลับมาใจไม่นเป็นคนดูขึ้นมาแล้วใจที่เป็นคนดูนี่มีคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะแต่ชั่วขณะให้เกิดบ่อยๆเถอะมันจะรู้สึกเหมือนรู้สึกตัวทั้งวันหลวงพ่อทาสมาธิลึกๆมาตั้งแต่เด็กนะแล้วพอมาเจอหลวงปู่ดูลนนีไม่นั่งสมาธิแบบเข้าสมาธิลึกๆไม่เอารู้สึกเสียเวลา หลวงพ่อก็อยู่กับจิตที่เคลื่อนเนี่ยเคลื่อนเคลื่อนรู้เคลื่อนรู้อยู่กับคณิกาเองแต่ว่าเคลื่อนปุ๊บรู้ปับเคลื่อนปุ๊บรู้ปั๊บนะอัตโนมัติเลยไปกราบครูบาอาจารย์กับหลวงปู่สิมหลวงปู่สิมท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้นะทําไมเรียกเราว่าผู้รู้เพราะเรารู้ตัวอยู่ทั้งมันเลยด้วยกําลังของคณิกาสมาธินี่งแต่ว่าเกิดที ๆ, ๆเกิดตลอดเวลาจิตไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยนั้น พลังของจิตเนี่ยทรงตัวเด่นดวงอยู่หลวงปู่เลยเรียกลุงพ่อว่าผู้รู้แปลว่าผู้ไม่หลงนะไม่ใช่ผู้รู้อะไรคนอื่นได้ยินนียจะสงสัยว่าหลวงพ่อรู้อะไรรู้หวยไหมถ้ารู้หวยเนี่ยประเสริฐที่สุดนะถ้ารู้กิเลสก็ธรรมดาไม่น่าสนใจในขณะที่เรานับปฏิบัติเนี่ยถ้าเรารู้กิเลสตัวเองเนี่ยนะประเสริฐที่สุดรู้กิเลสคนอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มกิเลสของเรานะ ถ้าเราเห็นกิเลสคนอื่นนีกิเลสของเราจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเราเห็นกิเลสของเราเองกิเลสจะลดลงทำไมเห็นกิเลสคนอื่นแล้วกิเลสเราเพิ่มขึ้นกูเก่งเองไม่ดีเลยเองมีกิเลสเยอะกูดีกิเลสตัวเองเพิ่มสมหัวเอาดังน้เห็นกิเลสตัวเองนะบางทีใจสงบสบายมีความสุขนะบางคนมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อกระทุงททั่งกิเลสนี่ปั่นป่วนไปหมดเลย นะพรุ่งจะไม่กิเลสเยอะอย่างนี้ก็บอกมันเยอะมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่เห็นเองอนะ่ะสงบเกินไปบางทีหลวงพ่อกระทุ้งเอานะกิเลสพุ่งพล่านขึ้นมาเลยแต่ต้องดูเป็นคนๆบางคนถ้ากิเลสรุนแรงมากจริงๆหลวงพ่อไม่กระทุ้งนะหลวงพ่อก็กลัวตายเหมือนกันมันแรงมากเอ อ, เ อ, อทำํอนะทำไปเถอะทํำไปเถอะ <c oughs> เรื่องของสมาธิเนี่ยนะหลวงพ่อแนะนำเลยนะวิธีง่ายที่สุดสรุปเลยนะก็คือทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้กรรมฐานอย่างอื่นก็ได้ดูท้องพองยบุบขยับมืออะไรก็ได้เท่านั้นนะ่ะแต่ขอแนะนำให้ใช้พุโทโธขรลมหายใจ เรียนเหมือนๆกันในเวลาแก่จะได้แก้สะดวกต่างคนต่างเรียนหลวงพ่อจะต้องแก้ทุกรูปแบบเนี่ก็ยุ่งเหมือนกั น, นแต่หลักอันเดียวกันหมดน ะ, นะคือมีสติระลึกรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์ที่ดีอารมณ์ที่มีความสุขแต่ไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักมีสติระลึกรู้อารมณ์เพื่อจะรู้ทันจิตตัวเองจิตเป็นตัวหลักอารมณ์เป็นแบกกล่าวที่ทําให้เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไหว สมมติว่ามีจิตลอยอยู่กลางอาวกาศเนี่ยแล้วจิตนี้เคลื่อนไปในอวกาศโดยไม่มีฉากหลังไม่มีดวงดาวต่างๆเราจะรู้ไหมว่ามันเคลื่อนไปเราจะไม่รู้เลยว่ามันเคลื่อนไปที่เราเห็นว่าพระจันทร์มันโคจรไปได้นี่เพราะฉากหลังมันเปลี่ยนตำแหน่งของดาวเนี่ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เ, เรารู้เนี่ยพระจันทร์มันเคลื่อนหรือเรามีฉากหลังคือ ความโค้งของฟ้าเนี้ยเราเห็นพระอาทิตมันขึ้นทางนี้แล้วมันจะลงทางนี้เนี่ยเราเห็นพระอาทิตย์เคลื่อนแต่ถ้าไม่มีขอบฟ้าไม่มีดวงดาวเป็นฉากหลังจะรู้ไหมว่าดวงอาทิตย์เคลื่อนเราจะไม่รู้เลยแบบเดียวกันนะจิตนี้ถ้าไม่มีฉากหลังนะเราจะไม่รู้ว่าจิตเคลื่อนมันเคลื่อนอยู่แต่เราไม่เห็นฉากหลังของมันก็คือตัวอารมณ์กรรมาฐานนั่นเอง เช่นเราพุโทโธพุโทโธไปพอมันเคลื่อนไปจากพุโทโธเราก็จะรู้ว่าโอ้ยจิตเคลื่อนไปแล้วจิตหนีไปแล้วเนี่ยที่เราต้องมีกรรมฐานนะเพื่อเป็นฉากหลังให้เราเห็นว่าจิตมันเคลื่อนไปแค่นี้เองไม่ใช่มีพุโทโธเพื่อจะเป็นเชือกมัดไม่อให้จิตกระดุกกระดิกอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะเพราะ้นตัวหลักที่เราจะดูคือจิต แต่ว่าเราดูโดยมีฉากหลังเช่นพุโทโธหรือลมหายใจแค่นั้นเองแล้วเราถึงจะเห็นว่าเยจิตหนีไปจากพุโทโธจิตหนีไปจากลมแล้วหรือจิตถล่มลงไปจ้องลมแล้วอย่างนี้เราจะเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาตรงที่เราเห็นจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้นะั่นแหละจิตจะไม่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี่ยเคลื่อนด้วยอํานาจของโมหะเป็นกิเลส ท, ที่ชื่อว่าอุทธัจจะความฟาุ้งซ่าน ความฟุ้งซ่านเกิดแล้วสติรู้เท่าทันเนี่ยสติจะทําลายกิเลสอัตสนมัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อได้มีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสตินี่เป็นกฎของธรรมะนั่นเรามีแบกกล่าวไว้นะมีฉากหลังไว้คือกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเราเคลื่อนเรารู้จิตเราเคลื่อนเรารู้ไปนะสเสร็จแล้วจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาะค่อยๆฝึกไปเห็นไหม สิ่งที่สอนทุกอย่างนี่มีเหตุมีผลทั้งหมดไม่ใช่สอนแบบทําๆไปเถอเดี๋ยวก็ดีเองอ่ะนะมันเลื่อนลอยเกินไปชาวพุทธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลทั้งสิ้นทำไมเราต้องทํากรรมฐานอย่างหนึ่งเพื่อเป็นแบกกล่าวให้เห็นจิตนี่พอเราเห็นจิตเคลื่อนแล้วจิตจะตั้งมา น, านอันตโนมัติโดยที่เราไม่ได้เจตนาในตําราเขาเรียกว่าอาสังขาริกัง จิต ท, ที่เป็นมหากุศลจิตเนี่ยมีแปดดวงประกอบด้วยปัญญาสี่ดวงไม่ประกอบด้วยปัญญาสี่ดวงจิต ท, ที่ใช้ทํำวิปษษัสสนาต้องประกอบด้วยปัญญาจิต ท, ที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ยแยกในสี่ดวงเนี่ยแยกเป็นสองกลุ่มแนะยกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติกลุ่มหนึ่งต้องน้มนําให้เกิด กุศลที่ต้องโน้มนำให้เกิดเนี่ยเป็นกุศลที่มีกำลังอ่อนกุศลที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยมีกำลังแข็งเข้มแข็งเหมือนอย่างเราอยากทำบุญนะเราอยากทำบุญทำทานอยากใส่บาตรด้วยตัวของเราเองเนี่ยเป็นบุญแรงถ้าเพื่อนมาชวนแล้วชวนอิงขี้เกียจไปในที่สุดตัดใจไปได้บุญน้อยกุศลที่เกิดจากการที่ต้องชักชวนได้บุญน้อย แต่กุศลที่เกิดอัตโนมัติได้บุญแรงนี่แยกเป็นสองตัวลนะ้เหลือสองตัวไอ้บุญน้อยชุนะเอาบุญใหญ่ไว้ก่อนบุญใหญ่นี่มีสองตัวก็คือเป็นจิตที่เป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญาเกิดเองมีความสุขอีกตัวหนึ่งเป็นจิตที่เป็นกุศลนะประกอบด้วยปัญญาเกิดได้เองนะเป็นอุเบกขา งั้นมีสองดวงเป็นจิต ท, ที่มีความสุขก็มีอเบกขางั้นเวลาจิตของเราถ้ามีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่ต้องรู้ทันทีนะนั่นอ ก, กุศลและจิตแน่นอนเนะนี่ยเราจะฝึกให้ได้จิตตัวนี้จิตตัวนี้ได้มาด้วยวิธีทำที่หลวงพ่อบอกนะนะัก่นแหละทํากรรมฐานเป็นแบกกล้าไว้แล้วรู้ทันจิตไปเลยแล้วมันจะได้ตัวนี้มาได้จิตสองดวงนี้มาจสองดวงนี้เป็นกุศลที่มีกําลังกล้าที่สุด เอาไปทำให้ปั ส, สนาถ้าใครฝึกจกนกระทั่งมีขึ้นมานะสบายจิตมีกําลังนะจิตมีคุณภาพบางคนหลวงพ่อบอกจิตมีกําลังแนละ้มีแรงแนละ้หรือได้จิตตรงนี้มาสองดวงนี้มาบางคนบอกจิตยังไม่มีแรงเลยนะมันยังไม่ได้สองดวงนี้มันได้สองดวงนี้หรือไม่ก็ได้สี่ดวงนี้นะเอาไปกินข้าวเวลากินข้าวก็วอย่าลืมกรรมฐ า, านนะไม่มีการหยุด ทำกรรมฐ า, านไปแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานิมนต์นะครับ